ทำวัดสวดมนต์บังทรรมตามกิจวัตรของพวกเราและวันนี้เราเป็นวันธรรมศรีวณนะแรมแปดคำเดือนเก้าแล้วแป๊บเดียวถึงวันแรมแปดคำแล้วเวันคืนล่วงไป ล, ล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ชีวิตของเราก็ไหลไปไปจากไลจากความเป็นจริงไปเรื่อยๆที่เราจะต้องทำอะไรให้มันได้ก็เสื่อมลงเสื่อมลงแต่ร่างกายของพวกเราเป็นหลงพอนี่ก็เสื่อมไปแล้วนะสิ่งที่คิดจะทำก็ทำไม่ได้แล้ว เห็นยา่าลกลงลงัลงก็คิดจะจับจอบไปถางไปเม่เ็นไปฟันก็ทำํำอะไรช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วบาทีช่วยตัวเองก็ช่วยไม่ได้ช่วยคนอื่นก็ช่วยไม่ได้ฟังโอกาสเรพลาดไปหลายอย่างไม่ทั่วไม่ถึงแต่ก่อนเคยเดินรอบสุโกโตขึ้นเขาไปโน่นลอก อะไก็ไปไม่ค่อยถึงเพื่อนมิตรอยู่ระชุยไปจายกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงใอะไรไปถามไทยไ้พบกันเลยก็ไม่เพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ประมาทโดยเฉพาะช่วงฤดูเข้าพรรษาให้มันเข้าพรรษาจริงหยุด ทุกอย่างท้า พ, พอที่จะหยุดได้เย็นทุกอย่างสิ่งไหนที่พอจะเย็นได้วางทุกอย่างสิ่งไหนที่พอจะวางได้ให้มันพิเศษกว่าฤดูอื่นๆเทศกาลอื่นๆไตรมาสอื่นๆเพื่อให้เป็นพิเศษสำหรับที่เราจะต้องทำกวามดีถ้าเรามาคิด อดีตที่ผ่านมาชิดถึงโน้นสมัยครั้งพระพุทธเจา้าสมัยเหล่าสาวกกว่าจะกลทัญญาและนำหมู่สงฆ์มอถึงพระปฏิสัพระโสดนะนำศาสนามาเผยแพ่พวกเรา ที่ประเทศไทยมาถึงครุบาอาจารย์ในต่อที่ภายกันมามาถึงยุคหล่มลุกครุกคานบ้างประเทศพมา่ามาลุกลานเผาตำรับตำลาทำลายถาวันรัตถุในทางประชาาตินา จรมาถึงต้องแชม่มาบรรพบุรุษของพวกเราจนมาถึงยุคใกล้ๆพอที่จะได้กิดได้อายบางในเรื่องของครอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานของพ่อหมั่นของพ่อมหาปานของพ่อมหาบัวสายวิปัสสนากรรมฐาน เราถึงมาหาหลวงพอ่อมาหาสีจันมาถึงหลวงพ่อเทียดมาถึงพวกเราทุกวันนี้เราต้องจัดเกณฑ์ต้องสืบสารต้องสืบต่อเอาไว้ช่วยกันบันทึกไว้ในชีวิตจิตใจของพวกเราอะไรที่เป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญา อะไรที่เป็นธรรมวัดปฏิบัติที่เราจะสัมผัสตายเก็บเอาไว้มอนกับคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลเก็บข้อมูลเอาไว้โดยเฉพาะการเจริญสติกถ้าเราจะตามรอยบาตตามรอยพระยุคลบาพระพุทธเจ้าทำอย่างไร <c oughs> เราภาษาวกทํทำอย่างไร ภาวจาร์เราทำอย่างไรแล้วเราทำยังไง <c oughs> เราคิดอะไรเราทำอะไรพยายามจัดสรรตัวเองให้เข้าโลกเข้าลอยตามเส้นตามทางคงเส้นคงวาอย่างไรที่ เป็นความดีเป็นความถูกต้องนำมามาเอากายเอาใจเราไปต่อหัดทำหัดพูดหัดคิดหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกตัวรู้สึกจะลึกได้มีสติจมชัญญะ ดูเท่ารูดทันอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้ น, นกับกายกับใจเราเราจะมาสร้างความพร้อมหลายๆอย่างวัดปฏิบัติเรล่อเวลาการของชีวิตสานาวิสัยการของชีวิตคารวะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกให้ชอบ ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรให้มีความรับผิดรับชอบพราว่าชอบก็มันถูกต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลกูกเป็นหลานเป็นเพื่อนบานต่อดทึงมาอยู่ในวัดปลาอรารามต่อดำรงสนานัเพศสนานัวิสัยให้อยู่ในความคงเส้นคงวาปฏิบัติธรรม จเจริญสติแล้ะสิ่งที่ทําให้เราไม่เพ่งพ้า ง, างที่ทําให้เราไม่สับสนก็คือการจเจริญสติเพราะการจเจริญสติมันเหมือนกับจับสายบังเหียนของชีวิตเหมือนคนขับรถจับพวงมาลายัยคนเร่งวัวเร่งควายจับเชือก พรอมที่จะรับผิดชอบได้ดเหนือนกบเขาเดินตามตลาดเขาเลี้ยงหมาเขาจับหมาโกกมันไว้ดึงมันไว้ไให้ไปไหนห่างตัวเองเท่ากับว่าสองว่าจับมันไว้อยู่ในการวกควบคุมชีวิตของเราจะต้องเป็นเช่นนั้นว่ามีกายมีใจมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสติเหมือนถือเชือกที่วัดผูกดึงเอาไว้สัมัชญะเชือกสติมันเชือกสัมัชญญะเหมือนถูกจกดึงกลับมาสอนมันเวลาใดเทวันไม่ถูกกาละเทศะสอนมันรู้เท่าทันมันจะให้มันอยู่ยังไงจะให้ไปยังไงสอนมัน ไม่บางทีมันก็เชื่องได้ช <c oughs> ีวิตของเราถ้ามันไม่เชื่องมันก็พกปลนสับสนโกลเ ป, ล ไ, ปไปหมดเอาทุกอย่างแล้วก็เอาชังก็เอาโกรธก็เอาโลภลงสุขทุกข์เอาทุกอยาก่อา ง, าราลลงาาจริงเราจริงเรานี่นน่ะนั้นเป็นครูของเราถ้ามองให้ถูก เราผ่านอะไรแต่ถ้าเรามาคิดตัวสิ่งที่เราที่ผ่านมาชีวิตที่เราผ่านมาตั้งแต่วันโน้นถึงวันนี้มันต่างเก่ามันเป็นอะไรบางอย่างมันก็อาศัย<ม>การเวลาอาศัยวัยที่มันผ่านไป ไวเด็กมันก็ไม่รู้อะไรไปหนมนไว้สาวมันจะเอาอะไรแต่ความเป็นพอ่อเปแม่ก็เอาดันจะพร้อมรอมเร่เพื่อโลกเพื่อเต่าพอไว้ตรงนั้นแล้วมันก็ไว้มาเรื่องบุญเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงพอเงินอย่างเดียวมันก็ไม่เอามันต้องเอาชื่อเสียงเกียรติยศเอาบุญบ้างทำบุญบ้าง ทำบุญกุศลโลกเต่าให้เงินให้ทองเถอะเหลือไว้ใส่ถงุงใส่กระเป๋าพอที่จะไปวัดไปวา่าทำบุญทาทานว่าแต่ไมก่อนจะไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ไม่คิดอย่างนี้มันคิดได้เงินเราก็คิดจะไปเที่ยวไปช็อปปิง้งไปซื้อข้าวไปซื้อของกินไปซื้อของระดับตกแต่เพชรนินกินดาตามวัยของเขา แต่ถ้าพวกเรามอถึงปูนนี้มันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นทีข้องบบดังตีละครบมวนม่สนุกสนานกับเสียงเพลงเสียงดนตรีการอยู่การกินเที่ยวเที่ยวเันน่นก็ไม่เอาแล้วพอคิดแต่บุญกุศลเ็นที่ไหนมีบุญที่ไหนมีกานที่ไหนมีภาวนาต่อไป องพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ว่าจะคนละทิศละทางมาปฏิบัติธรรมมาทาบุญพอมาถึงผลนี่ก็ไปให้มันได้อีกอย่าอยู่แค่นี้ไปให้มันถึงมรรคผลในผ่านคือว่างแต่คนเราส่วนมากก็ไปไม่ไปถึงไปหยุดไปหยุดอยู่ตรงไหนก็ไม่เออจะเป็น ไว้าลกอยู่ก็มาอยู่เราต้องผ่านให้พ้นไปให้ได้วิตเราต้องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อผลในผ่านวางเย็นไม่มีแล้วสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีแล้ววางหมดชีวิตต้องวางแล้วจึงจะถูกต้องก่อน ก็เราสลับลงแล้ววางแล้วไม่มีอะไรอะไรแม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเพื่อไม่มีอะไรอะไรมีลูกมีหลานมีทรัพย์สินทรัพย์สินแสดงคาน์เราไม่มีอะไรอลไในหัวใจเราปากมันก็อย่างนาึ้นใจมันก็อย่างนึ้นอ่าไปให้มันถึงให้มันถึงจุดหมายไปทางส่งไปส่งตัวเองไปเคลื่อนย้ายตัวเองไป ให้วางทีก็ต้องก็ต้องไปตั้งแต่ตั้งแต่ตตไหวยังไม่รอให้ท่อให้แก่การแจ่ง่อมจอมตุรักตุเลมากเหมือนตาบอดคําฝากฝั่งคองหาเหมือนการไต่ไผ่ลาคานคำมาเหมือนคนข่าฝากตุรลักตุเลไต่ขอนไต่ไม้ เดินจงกรมก็ง ก, งกงกเงินเงินจะไปวัดไปว่าก็โอ้ยลำบากนั่งจ้องอยู่ไปไม่ได้เลยก็แบบรอให้เท่าให้แก่ไม่ได้ต้องเดินรีบเดินแต่เนินเนรีบแต่เนินเนรีบเดินเลยถึงแต่ดึกศึกระมรีบไปให้ถึงตั้งแต่มีเลี้ยวมีแหลกตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตดูโลกแบบเหนือโลก ไปเรื่อยๆไปเหยียบโลกสองสองข า, างงก็ได้ขาหนึ่งเหยียบโลกิยะขาหนึ่งเหยียบโลกุตตะละความรู้สึกของเรานะ่ะโลดรถทั้งสองรถโลกิยะโลกุตตะละพร้อมที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้ให้มัน สมบูรณ์แบบชีวิตของเราโดยเฉพาะตัวปฏิบัตินตัวปฏิบัติเป็นชีวิต ท, ที่สมบูรณ์มันผ่านทุกอย่างจังเรียกว่าสมบูรณ์เช่นเรามาสร้างสติเนี่ยมันผ่านอะไรเยอะแยะนะตัวที่จะมาลู่สึกตัวเนี่ยมันแหกมันผ่านอะไรมาผ่านความสุขผ่านความทุกข์ผ่านความรักผ่านความชัง่งผ่าน ลูกรดกินเสียงมาแล้วจนมาลูศึกที่กายเคลื่อนกายไหวมันผ่านอะไรมาบาก็ยังเห็นอีกที่มันมาขวางหน้าขวากัน้นเห็นความงงเงาหนอนความลังเลยสงสัยความคิดฟุ้งซ่านพยาบาทกามรมลาคาับปฏิฆะมาณทิฏฐิที่มันขวางเอาไว้ เราก็แหกไปเรื่อยๆไปเรียกว่าผ่านมันผ่านอุปสรรคผ่านสิ่งที่ขีดขวางไม่ให้รู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวมันจว่าทำให้หลงได้เก็ผ่านผ่านเยอะแยะมีบทเรียนเยอะแยะการปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติมันเป็นบทเรียนที่หลากหลายหลายรสหลายชาติ ทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุกทั้งทุกข์อะไรเยอะๆไปหมดเลยจะได้เห็นจะได้มีบทเรียนเลยไม่ต้องถามใครในโลกไม่ต้องถามใครเรื่องของลูกไม่ต้องถามเรื่องของนามไม่ต้องถามเรื่องของบุญของบาปไม่ต้องถามเรื่องของมรรคผลไม่ต้องถามเรื่องของอภัยูมิไม่ต้องถามนะ พราะมันผ่านมาอย่างสดสดล่อนล่อนด้วยมือของเราด้วยการกระทำของเราพอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันเปิดนะมันเปิดออกมันก็เฮ็ดผ่าเนาะแต่เขาเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์คนใจคนไกลเขาผ่าถึงเวลาที่ผ่าเครื่องยนต์ให้นักเรียนให้ลูกศิษย์ดูเขาก็ผ่าออมันก็ผ่าตะ หมอที่เรียนหมอเรียนแพทย์ยังไม่ได้โอกาสพาคนาก็าา ก, ก็ผ่าหมาพ่ากบผ่าเขียดนะในมหมอห้ายคนมาพ่อไปอยู่สะละัเขาว่าถามเขาก็กลัวบากเขาจับกบมาผ่าเขาจับหมามาผ่าดูอาวุธของมันเราก็ทำบุญ เราได้ความรู้จากการเอาชีวิตของสัตว์มาเรียนรู้มันก็เรียนรู้ของกริงจึงเป็นหมอได้เราที่จะเป็นพระได้มันต้องผ่ามันกันต้องเรียนรู้มามันกันมันผ่านจากความเป็นผีเสี่ยงมากมาเป็นพระได้นะมันตัดอะไรมันแวกอะไรมา เฉพาะความรู้สึกตัวผ่านจากความเป็นบาปมาถึงความเป็นบุญผ่านจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์มาเป็นพระใจมันดีใจมันสูงอะไรพที่เจริญสติย่อมเห็นคนเป็นทางมานี่ผ่านมาตรงนี้จริงๆผ่านมาจากความยากลำบากผ่านมาจากอุปสรรคต่างๆ เราก็ต้องสู้พอสมควรมาชาวบ้า น, นาวันพระวันศีนเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอสมควรลำดับลำนำไว้พอสมควรที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ลำดับลำนำไว้พอสมควร อ, อาจจะอยู่บ้านก็จะดกูกระเออเรายังคิดจะไปอยู่โน่นจะไปอยู่นี่ลำดับพอพายตัวเองมาอฉันมาถึงแล้วมาปฏิบัติมาลู่ศึกตัว เอาก็มาเห็นความหลงความม่วงอีกก็พาไปเรื่อยๆไปนะต้องผ่านไปเรื่อยๆไปก็พอสมควรนะปฏิบัติกวจะถึงมากถึงคนเนี่ยต้องเพียรต้องมีศรัทธาต้องมีกรรมในการกระทาที่ต่อเนื่องให้จนได้ไม่ใช่ว่ามาอยู่ฟรีๆเคยนอนเล่นสบาย เพราะว่านอนก็คือหลับเพราะว่าหลับก็หมายถึงไม่รู้อะไรอาจจะเดินเดินจงกรมอยู่อาจจะนั่งอยู่แต่ว่าหลับหลับไปกับความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงก็ลอยนวลไปได้ไม่ได้เห็นมันคื อ, อโมยที่มาเอาของเราไปก็ เ, เอาไปฟรีๆได้เราไม่ได้เฝ้าไม่ได้ดูแลตัวปฏิบัติ หลวงพ่อ เ, เทียนเลยพูดว่าอย่าอยู่เฉยๆให้สร้างความรู้จักตัวเคลื่อนไวหวไม่เอาจุดใด จ, จุดหนึ่งก็รู้ไว้การรู้จักตัวมันกันรักษาเหมือนยามเฝ้าหลอกลู้อยู่เสมอหลอบทิศหลอกทางยินเสียงอะไรใด้กินอะไรได้เห็นอะไรปล่อยสร้างความสงบให้เกิดขึ้นวันเราเฝ้าบ้านเฝ้าเรือน คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณพ่อบ้านสามหลังสี่หลังไล่ากาไล่ไก่ไปล่องอยู่นั่นตาไม่ได้เห็นเสียงหูก็ได้ยินกามันล้องแต่ทงกําลังดูแลบ้านหลัง น, นี้เสียงกามันล่องอยู่บ้านหล้งก็ล้องไปเออเออก็ได้เหยื่อมากินไก่ก็ไล่มันอยู่นันถ้างั้นจงไม่จะไม่เรีย ก, กว่าคนพ่อบ้าน การมาดูแลตัวเราเก็มือนกนันก็มาได้หลายทางความหลงเกิดได้หลายทางทีเราต้องเป็นหน้าลอกในความรู้จึกตัวเ <c oughs> ตือนมันอให้มรั่วเราอยู่ตรงนี้อ่บางทีมันก็กลัวมันกันแสดงออกถึงว่าเราอยู่ตรงนี้เรากำลังดูแลอยู่มันก็ไม่ดื้อด้านถึงกับ ป่นเราดอกกิเลสเนี่ยมันไม่เหมือนคนคนมันยังเอาตะเพื่อๆเลยเหมือนโยมบ้านท่ามาไปหวานมาเฝ้าสวนหน่อไม้อยู่ทางใต้วัดเน่ mm. ก็พายถุงปุ๋ยมาก้มหักหน่อไม้ mm. เออหน่อไม้ไม่เจ้าของกำลังเฝ้าอยู่นี่อก็ยังหักเอาอยู่ตะเพื mm. <laughs> อ่อๆบอกเออ บอกว่าเฝ้าอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่ไปไ ป, ไปยังหักเอาเถื่อเถื่อโกรธขั้วปืนออกมาเขาจะยิงคนอ่าเขาก็วิ่งหนีแตยังโกรธมาถึงบ้านก็เห็นหน้ากันอยู่มาวบ้านก็ยังมาโกรธอยู่มาขัดปืนมาขัดปืนมาขัดลํากล้องมาขัดแฉกมาขัดนกก็ไปยิงเขา โอ้เว็นเมียก็มาบอกลูกชายไิวัดเป็นพระบวชอยู่ปไปห้ามพ่อเจ้ า, พจาดพ่อเจ้าโกรธใครใครไม่รู้จะไปยิงเขาแล้วมันปาด้านก็ไม <c oughs> พอผู้ใหญ่นางพ่อนะยกมันดื้อมันดานนั้นถึงคนงนอกนางเป่านาวัย ม, ม่นไปมาหัวก <c> ัอ <oughs> <นะ S 1> ขี้เหล็บจันไม่ดื้มอมานดันดอกแอมอย่างเดียวมันก็นไปแล้ว <c oughs> เออเนี่ยเธอเจ้าของที่เรียกว่าวิปัสนานะไอ้ปัญนาก็อืมอันหลงก็อืมอันสุกก็อืมอันโตก็อืมดูแล้วนะมันก็มันก็หนีหนีไวย้ยดกิเลสนะมันไม่ดื้อด้านมันกับคนดรกอันชื่อว่าคนเนี่โอ้น่ากลัวมันปนเปยไปหมดเลยมันก็อยู่ในภูมิของชีวิตเรานี่แหละอ่า พระพุทเจ้าเรีว่าฆ่าคนข่าคนไม่ใช่ไปฆ่าคนฆ่าความเป็นคนอะไรหัวใจไ ม, ไม่ใช่ไปฆ่าชีวิตคือฆ่ากิเลสฆ่าความปรุงปรุงแต่งแต่ง <c oughs> มันสุขมันทุกข์มันรักมันชังมันโผล่เนมากเกินไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกการรู้สึกมันคุมกําเนิดของคนคุมกําเนิดของคน รู้สึกทีอนั่งมันเปลี่ยนชีวิตผมเป็นคนไปเรื่อยๆไปเหมือนกับความดำกลายเป็นความขาวเหมือนแปบเหมือนสบู่ <c oughs> ฟอกสิ่งสกปรกโสโครกรู้ทีหนั่งสะอาดไปสะอาดไปศาอดไปรู <c oughs> ้สึกรละลึกได้ไปน่าขยันขยันสร้างความรู้สึกตัวนะเล็กๆน้อยๆก็ ย, ย, ยังได้หายใจเอื่นน้ลาลอยนอนอยู่ ก็ไม่ใช่ว่าจะว่าให้เดินทั้งวันให้นั่ง้ังจังหวะทั้งวันดอกแต่ความรู้จักตัวเนี่ยเมื่อมันมีมือมันเป็นแล้วมันก็รับใช้เราถ้าขอให้มันมีอาจจะรักษาเราเองมันเรามารักษาศีลที่แล้วก็รักษาใส่ใจสมาทานเจตนาพอมันปฏิบัติมันทาไปแล้วมันก็ศีลก็รักษาเราสมาธิก็รักษาเรา ปัญญาก็มาลอกมาลอกไม่ขาดตัวปัญญา <c oughs> เหมือนเส้นทางด่วนมีรถตำรวจมีรถกรมทางวิ่งสิบห้านาทีสิบห้านาทีสรืสามสิบนาทีผ่านตลอดผ่านมาผ่านมาผ่านมาเมื่อมีรถอะไรมันเสียกลางถนนหนทางช่วยเตือไม่ได้รถกรมทางก็บรึงไปนี่ มันจูงไปมาดึงไปเพราะว่าทางด่วนเข ล, ล้อมล้อมรวดเหล็กไม่ให้อะไรผ่านสัตว์ชาหลายสิ่งก็ผ่านไม่ได้คนก็ผ่านไม่ได้ถ้าอย่างไรถ้ารถมันตายกลางทางก็ต้องมีรถกรมทางเขาเขาเขาล อ, อบอยู่ลอบอยู่ลูก อ, อยู่ช่วยช่วยปัญหาแก้ไขปัญหาควรู้สึกตัวก็มันกันศีลก็มันกันสมาธิก็มันกันปัญญาก็มันกัน มันเพื่อการนี่โดยตรงนะแล้วเราฝึกหัดขอให้ทําให้มันเป็นให้ได้บทเรียนให้ทําให้เป็นแล้วก็เราท่องมุน่นท่องจําอะไรต่างๆมันบอกไปเลยอย่างท่องป่าวงอย่างนี้น่าวฮงสหัสสมาพิเนมิตตสาุทันตังครีเปยทะรงังมันไปข้ามันเองมันไปถูกด้วยเป็นจังหวะเป็นความเป็นคําพูดที่ต่อไปเหมือนหลวงพ่อเทศมันมา มันสนับสนุนมามันก็เป็นสายเป็นเรื่องของมันไปมาได้จับต้นชนปลายไม่ใช่มันไปของมันตามศีลตามธรรมเห็นมีกิเลสมันก็มีความไม่มีมันเป็นคู่กันอยู่แต่เชิงไหนที่มันเป็นคู่กันมันก็ไม่ใช่ทาได้ปฏิบัติได้ เป็นความโกรธปฏิบัติให้มันไม่โกรธเนี่ยปฏิบัติได้อยู่ความหลงปฏิบัติให้มันไม่หลงเนี่ยทำได้อยู่ความทุกข์ปฏิบัติให้มันเป็นทุกข์ก็ทาได้อยู่ความโกรธปฏิบัติให้เป็นเป็นความโกรธก็ทำได้อยู่มันทำได้อยู่เรียกว่าปฏิบัติได้ขอให้เราสร้างพลังตัวนี้สร้างความรู้ตัวนี้เมื่อความรู้ตัวนี้มันก็มโหที่จะใช่จริงๆมาลูกกายมาลูกกายม่เห็นกาย กายมันก็จะสอนเราไปไว้เห็นเวทนาเวทนาเขจะสอนเราไปเราผ่านเวทนาไว้เห็นจิตที่มันคิดมันต้องเห็นเพราะมันมีอยู่นี่แต่เราก็เห็นจิตอยู่เรื่อยๆที่มันคิดอยู่เรื่อยๆเห็นทีเรกก็บอกหนักนะมาแรงเหลือเกินความคิดเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วต้องหวนไว้ไปแล้ว แล้วบางคนก็อยู่ไม่ได้จริงๆเพียงไม่เห็นงูใหญ่เลื้อยหน้ากติแลนอนไปล่ะกลัววาดมโลผาบคิดไปใหญ่ขนาดนี้มันต้องกินคนได้ทํายังไงมันไล่ขนาดนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นใจเราฮทำไมจึงมาอย่างนี้กลางวันแท้ๆเป็นเคาะเขนเวรใครอะไรเจ้าป่าเจ้าเขาอะไระเจ้าของอะไร เอคิดไปคิดมากกลัวมากขึ้นกลัวมากขึ้นลากระ บ, บานหอบบาด ห, หอบจีวรกระ บ, บานอะไรก็ไมีเพียงที่เห็นงูเฉยๆนะเพียงแต่ทำเท่านั้นไม่ได้เกิดจากอะไรคือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาปล่อยเรื่องใหญ่ไปเลยมันก็หอบไปเลยความคิดอ้าวทาไมเห็นมันจริงๆนะถ้าเห็นมันจริงๆนะมันเป็นอะไร ว่ามันจะหลอกมันจะไปทางไหนความคิดที่มันเห็นเนี่ยมันจะพาเราไปทางไหนดูมันดูสันหลังมันเห็นสันหลังมันไก่เห็นตีน ง, งูเห็นตีนไก่มันจะกินขนาดไหนขอให้หนักแน่นสักหน่อยนะเห็นกิตเนี่ยจะหวนไว้อะไรง่ายๆสร้างความเข้มแข็งอยู่ตรงนี้บ้างสร้างความเข้มแข็งอยู่นบนอ่อนได้จากกายจากเวทนาจากกิจ ที่มันจะใหญ่มามากมันใหญ่มานานแล้วเสิ่งเหล่านี้มันใหญ่มาหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วเวทนาในมันเกิดขึ้นเป็นโสโครดีเป็นทุกขโครดีที่จะให้มันเกิดเวทนาที่มันชอบที่เวทนาที่มันไม่ชอบมันอยากให้มีเวทนาที่มันชอบมันก็ปฏิเสธอันสิ่งที่มันไม่ชอบมันต้องการสิ่งที่มันชอบผลพวัญในสิ่งที่มันชอบมันใหญ่ขนาดด้านเลย ดูมันดีๆนะมีสติดีๆเอาไว้รูสุดตัวรูสุดตัวอ่ามีมันมีทำให้มันอ่อนอยู่เหมือนเหมือนเครื่องอ่าชลลอน้ำหนักเหมือนน้ำที่มันไหลมาแรงๆเรามีเามีก้นเห็นมีตอกระจายความแรงของน้ำไว้มันไปชน ตอนนี้มันดะไปตรงนั้นมันดะไปตอนนี้น้ำมาแรงๆก็อ่อนลงไปความรู้สึกตัวมันเหมือนเหมือนอย่างนั้นหละมันมาแรงขนาดไหนมันคั่นไปนิดหน่อยมันก็กระทบแล้วกระทบแล้วอ่อนลงแล้วอ่อนลงแล้วอ่อนลงแล้ววันเขายิงปืนมันปืนแตกไปถูกเสาถูกเสาก็เดินไปถูกคนมันฉลอกวาแรงถูกคนก็เข้านิดตอนให้เก็บให้ประมาณนั้น ความรู้สึกตัวแต่มันมันกันฉลอความแรงของอะไรอะไรความรักก็ดีความชังก็ดีความโกรธก็ดีความโลภ ก, ก็ดีความหลงก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเป็นการขวงมันเป็นบังเกอร์นะเหมือนเสือ้อเกาะที่นักลบก็ยิงถูกกระสุนล่มกิ้งลงไปมันหลอ่อมันถูกเสือ้อเกาะมันไม่เข้า ความรู้จักตัวเนี่ยเหมือนเหมือนกันรู้จักตัวเรามป็นบังเกอร์เข้าลบได้เลยจะเป็นสุขก็ลบกับความสุขได้จะเป็นทุกข์ก็ลบกับความทุกข์ได้ไม่เก็บความทุกข์ก็ไม่เก็บความสุขก็ไม่เก็บไม่กระทบกระเทือนเลยถ้ามีความรู้จักตัวเน่ะเหมือนเกาะถ้าไม่มีความรู้จักตัวก็เจ็บปวดสุขก็หมดเมื่อหมดตัวไปบความสุขทุกข์ก็หมดเนื่อหมดตัวไปกับความทุกข์ โกรธก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความโลกรธโลกหลงก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความโลกความหลงเจ็บปวดอ่อนแอมากบอบบางมากคนขาดสติวันไว้ได้ง่ายมันยอดไม่ที่อ่อนถูกอะไรนิดหน่อยก็ขาดไปแล้วไม่มีอินทรีย์ไม่มีพลังเรามามีสติบรมันสร้างอินทรีย์สร้างภูมคุ้มกัน สัมผัส ด, ดูแลโอ้ยรสชาติของขอรู้จึกตัวนะลองรับกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมลามเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจสามารถที่จะลองรับได้เมือนกิดเรามีกำลังที่จะขึ้นปีนป่ายขึ้นไปได้มีกำลังที่จะลุยอะไรได้มันมันลุยได้ทุกคนนะไม่ไม่เกี่ยวกับอายุนะ ไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับเพศหรอกแต่ลุยเรื่องนี้นะลุยได้ทุกคนเหมือนหลวงพ่อไปลุยนําแข็งอยู่ประเทศอินโดนีเซียการไปศาลพาไปพอเดินไปเดินไปเดินไปมันไม่ไหวนะเพราะขวมแข็ของเรา <c oughs> ยังไปสาลยังเดินเจย์เจย์เจย์ผาขมหัวโดนลยุยใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่รองเท้า พ่อเขาเยไปเลยไปเดินไปเดินไปห่มผ้าไปเออไม่ไหวเขาจำไพศาลนะแต่ว่ามันก็มีม้าเดินตามไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวเขาก็ให้ขี่ม้าไปะผมจะขี่มา้าผมจะขี่มา้าไปไม่ได้หรอกนะพอทยอะยุขี่มา้าแล้วนะ พ, อพอ่อเรียกมา้ามามา้มาก็าจับเราเขาจับมา้าขึ้นขี่มา้าเขาก็จูงให้เรานะ จงให้เรายกยกยกยกไปถึงเขาโอ้ยน <j> <"Sí. S 2> well. ้าแข็งก็ยังมีบันไดขึ้นไปอีกเราต้องเดินขึ้นบันไดไปดูหลุมหผล่เขาไฟอไปดูหลุมโูเขาไฟโูลูเขาไฟลุกเป็นเหวลึกๆอยู่โูเขาไฟลุกนั่นก็เป็นเหมือนกับข่อยหมดลินเมือนจะข่อยหมดลิ่นพอทะยกอะ ไปมันเล่นเป็นข่ยขึ้นนะมันเป็นคู่นั่นปะคู่หล่อๆยังมีฝรั่งไปไต่โค้คมๆนะโอ้ยทําให้พวกเราเสียวไอ้เป็นหน้าผาที่เป็นคมคมสงสุถ้ามันพัดลงไปแล้วก็ไปตกเหวผูเขาไปลุกฟองหรือทาให้คนดูเสียวใจไม่อยากดูเลยนะเขาก็เดินเขาก็มีลาวลูกกงเหล็กเพียงว้เลินไปไหนเขาเพียงว่าแต่ก็จะไปไต่ขอบใครหมดลินนะโอ้ขวยหมดลินนะไม่ข้าวเล ไปไต่อะไรหนาวหนาวแมบางคนก็เก่งมากๆลไต้หน้าผาไปได้เลยแต่เราดูมันก็เสียวๆเหมือนกัน <c oughs> มันไม่เป็นอย่างนั้นดอกการลุยกิเลสการลุยชีวิตของเรานะมันไม่เหมือนลน <c oughs> ุยหิมะน้ำแข็งบางทีเราไปลุยหิมะไปโกยหิมะที่ชิคาโก้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยหิมะมันลงนน ทางรถเข้าประตูไม่ได้แต่ทางหลวงเขาก็โปรยน้าน้าเกลือโปรยเกลืออยู่มันละลา ย, ยแต่ทางประตูเข้าวัดเนี่ยมันไม่ละลายเขาไม่โปรยให้เราเราต้องไปโปอยออกใส่ชุดไอ้มงว๋งชุดเราก็ไปได้พว่า ไ, ได้ไปขุดหรอกโอ้การขุดน้าแข็งมันไม่ใช่ง่ายนะมันยืนไม่อยู่นะพอเราจะพว่าจะออกแรงมันก็พาเราไหลไปแล้วมันมันกาะให้ติดนะ ที่ย้นมายืนน้ําแข็งแล้วเราไปขุดน้ําแข็งมันเรายืนบนอากาศเราจะมีแรงได้โอ้ยหล่มลกคู่ขัข้นไม่อ้วนเคยบ่เคยกลวยน้ําแข็งบ่กลัวที่จะไปขุดได้เล็กๆน้อยๆก็ต้องใช้เวลาเพียนพยายามประคองตนตั้งไว้ท่าแบบไหนเทอมอนจะมีแรงพอไปทํำข้างหนึ่งสองข้างมันไม่ ไม่ลงเลยพอเคลื่อนไปเนี่มันก็ไปแล้วกายเขาไหลไปแล้วเขาต้องก็คลองแบบไหนที่จะให้มันอยู่มันก็มีจังหวะของมันมันตันเหมือนเขาเล่นจส ก, กรีน้ําแข็งเขาจะไปทางไหนก็ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะเขาก็ชํานาญได้นี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ยากตะนั่นดอกเห็นตายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ย เห็นความสุขเห็นความทุกข์กเห็นความง่วงเงาหอนนอนเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้ น, นกับกายกับใจเรานี่มันมีเงื่อนไขขอให้เราใส่ใจมีความรู้สึกมีความเพียรมีศรัทธามีสติเข้าไปเสริมพลังเข้าไปพลังเสริมเข้าไป <c oughs> ต้องอาศัยพลังเสริมบางนะเหมือนอสังทองเสียหัสินไ พอไปเจ อ, เอ <c oughs> ไปเจอแดน ง, งูส่วงสินใสในสู้ไม่ได้ก็เรียกพี่สีโหมาช่วยยังไม่พอต้องเรียกพี่สังทองมาช่วยจึงชนะงูส่วงได้ไเราจะว่าแดน ง, งูส่วงเป็นยังไงแก้วเราจะว่านะ แลดโม่ช่วงคือพวงโม่งหนองหนอนจะพอสินใส่ไหนสู้อะไรเด้ซ <c oughs> ับประโงกไปแล้วซับประโงไปกันอ้าสู้ไม่ได้เลยมันเป่าใส่ตาแล้วล้มไปเลยล่ะสินใส่สู้ไม่ได้คือศินยังช่วยช่วยอะไรต้องมีสมาธิคือสียหคือสมาธิมาช่วยหนักแน่นเข้าไปหนักแน่นเข้าไปเสริมกระลองเข้าไปไมีความมั่นใจไม่หวั่นไหวกับพวงโม่งแค่นี้หรือมัเจด้ลุกเจ็ดตัวต่อไปไม่ สมาธิเข้าไปเสริมสมาธิเข้าไปช่วยสินแต่สมาธิกับสินไม่พอเอาปัญญาปัญญาอะไรลุกออกไปเดินชมกลมดูท้องฟ้าปัญญาแล้วนั่นนะนะ่ะดูยอดไม้ดูก้อนเมฆดูทิศ ด, ดูทางเอาล่อไปแล้วมันหายวับทันทีแล้ววนะเนี่สังทองศินใส่สีโหสีโหสินใสสังสีหสังทองคืสงอสินคือสมาธิปัญญา ถาดงพงไฟไปเอาสมุนทากลับมาสุมนทาก็คือสุคือบริสุทธิ์มนทาคือมนฑินไม่เปืเป้อนเกิดใจสุดีงามเมื่อกี้มันรู้สึกตัวหรือว่าสุพอหมดความรู้สึกตัวล้มนทินคือมนทาขามโมยไปแล้วไปสู่ความมองไปสู่ความคิดไปสู่ความรักความช่งสุขทุกอะไรต่างๆมันเปื้อนไปแล้ว รู้อยู่ดีๆมันมาเปื่นไปแล้วต้องเอาคืนมาเอาสุขขึ้นมาเอาความรู้ึ้นมามันก็ตามมันก็ยึดมันก็ล้างการปฏิบัติโอ้สนุกดีนะไม่ไม่เหมือนกับใส่เบ็ดไม่มีเหยื่อนะจืดชืดไม่ใช่นะมีรสในชาติสนุกกับความม่วงบ้างสนุกกับความชิดบส้สนุกกับความสุขความทุกข์บ้าง สนุกกับอารมณ์ปุงป่งๆแต่งๆการปฏิบัติหลากหลายในรถในชากรถของพระธรรมรถของอธรรมอธรรมคือไม่ใช่ธรรมความโลกควงมโกรธความหลงควหมวงเมาหอนอนความหลงเลยสงสัยคนรู้สึกตัวที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความใส่ใจมีความเพียรหนมันมีชั่เชิงเหนือกว่า เราได้สัมผัสดูสัมผัสความรู้สัมผัสความหลงสัมผัสความไ ม, ม, ม่ทุกข์สัมผัสความไม่สุขสัมผัสกับความสุขสัมผัสกับความทุกข์นี่รสชาติมันสมบูมรณ์แบบการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยไม่ไปหาอะไรที่ไหนหรอกมีบทเรียนมีครูมีอาจารย์มีประสบการณ์มีปรากฏการณ์มีธรรมชาติมีอาการต่างๆ ผ่านหน้าผ่านตาเราอยู่เสมอได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆได้พบได้เห็นอะไรอยู่เรื่อยๆอหลายหลายฉากนะควาผิดความถูกความสุขความทุกข์ความอะไรต่างๆอ่าให้มันจะมาในทางไหนสมมุิดินมาจะลอยมาได้เท่านั้นเราลู่จุดตัวเราลู่จุกตัวจนไปเห็นหลักเห็นแหล่งเห็นหลักฐานของมัน ที่สุดมันก็รวมให้เรารวมตัวลงให้เราลงตัวให้เราสรุปให้เราแท้ก็คือตัวลู่ตัวหลงตัวลู่ตัวหลงตัวหลงมันเป็นยังไงตัวลู่เป็นยังไงที่สุดก็คือตัวมากตัวผลนกุศลเอากุศลตัวหลงเป็นอกุศลตัวลู่เป็นกุศล กุศล อ, อกุศลเราไม่ทําบาปทางกายเราไม่ทําบาปทางวาจาเราไม่ทําบาปทางใจเพราเราลูกจ็ดตัวเหมือนหลงปู่เทียนพอเห็นอะไรเห็นอะไรไปเออไว้เป็นรวมลงร ว, วมลงคนไม่ทําบาปทางกายได้บุญเป็นยังไงคนไม่ทําบาปทั้งกายทาาั้งวาจาได้บุญเป็นยังไง คนไม่ทำแบบํำบาปทั้งกายทั้งวาจาทั้งกิตใจโดยได้บุญเป็นยังไงพอมาถึงตรงไหนจิตหลวงพ่อเตียนแล้ว่าโอ้ดไปเลยว่ามันบริสุทธิ์มากเขา้ามากเขา้ามากเข้าบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจคนมีสติมันก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วบ่มันเกิดความพร้อมขึ้นมามีโอกาสเมื่อมีความพร้อมก็ได้โอกาสพอได้โอกาสก็ใช้โอกาสนั้นเลย ไม่ทำบาปทางกายไม่ทำบาปทางวาจาไม่ทำบาปทางใจมาหลายวันแล้วไม่ได้เปิดเื่อนทางกายไม่ได้เปิดเื่อนทางวาจาไม่ได้เปิดเื่อนทางจิตใจหลายวันมาอ๋อมันตันนี่ยแล้วนะนี่มันตันนี่แล้วจิตตอนนั้นหลวงพ่อจึงขาดไปเลยขาดไปเลยมันเชือกขาดหลวงพ่อเทียนบอกว่าเชือกมันขาดนะเชือกมันขาดแล้วยังเสียดายเชือกเอาเชือกมาต่อ ตันก็เป็นรูปเชือกแต่เวลาจะใช่มันใช่ไม่ได้เราจะใช่เทลม ก, ก, ก็ขาดต่อกขาดตอกโอ้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวในที่สุดก็เปลี่ยนไปมันมาคืนมาไม่ได้เพราะนั่นนี่ปฏิบัติธรรมมันไปทางนี่แน่นอนพอให้เราดเดินอยู่ตรงนี้แล้วทำอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีเลยในตัวโลดตัวหลงมีกุศลไม่อกุศล มีความรู้สึกตัวไม่เป็นบาปทางกายไม่เป็นบาปทางวาจาไม่เป็นบาปทางใจถ้าจะเป็นบุญก็เป็นบุญทางกายเป็นบุญทางวาจาเป็นบุญทางกิจใจเป็นกุศลทางกายเป็นกุศลทางวาจาเป็นกุศลทางกิจใจแทนอกิสุทธ์ทางหงลายประเภทมันก็เข้าที่เข้าทางได้โอกาสเหมือนเราเดินทางขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พอได้ทางเราก็ไปเลยแต่ไปเลยได้โอกาส เหมือนกับหวงพ่อมา <c oughs> จากอาดใหญ่มาขึ้นเครื่องบินที่กรุงเทพมาคอนแทนเนหลือเวไลาไม่เท่าไหร่ไอ้โอคคุณคนคอนเดนยที่มาเคยมาบวชอย่างนี้มันไม่มันไม่ถึงแลวพ่อป้าป๋ารับรองว่าไม่ไม่ได้เวลาแล้วถ้าวิ่งอย่างนี้ไม่ได้เวลา พอเขาบอกนะบอกพ่อว่าไปอย่างนี้รถติดอย่างนี้มันไม่ทันเครื่องบินหรอกจะทายังไงผมจะไปนะพ่อก็บินบินบินไปเลยรถผมวิ่งไยนี่มันต้องอย่างนี้พ่อนี่มันนี่มันต้องอย่างนี้มันเสี่ยงไหมมันจะคุ้มค่าไหมมันเสี่ยงเกินไปนะนี่เขาก็มั่นใจใช่ไหมอาจารย์ดวงศรีเมื่อนั้นนะเขาว่าเอาอย่างนี้พ่อเอาอย่างนี้พ่อแล้วนะเหยียบรถเราบินบินไป ้เวลาทันทีเลยถึงคราวเล่งก็ต้องเล่งบ้างนะพวกเราได้โอกาสก็ไปให้ได้พอได้โอกาสก็เดินเชิงชะงาอยู่ไม่ไปก็ไม่ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเลยก็มาขวงกันตกหลังไปเรื่อยๆตกหลังไปเรื่อยๆนะพอที่จะรู้ตรงไหนก็รู้ไปนะพอมันหลงตรงที่มันหลงรู้ไปตรงนั้นแสงความหลงแสงความทุกข์แสงความกดแสงความโลภแสงความรักความสั่งไป ต้องแซงต้นนั้นแ่ะถ้าไม่แซงมาขวงหน้าอยู่ตลอดไปฮนะต้องก้าวหน้าปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นวันธรรมาชานะพ่อสินแม่สินจะพากันมาสมรานสินาตั้งใจสมาะฐานสินประกาศสินสืบต่อไป